ข้อแทำลงไว้ซึ่งความเป็นธรรมนั้นเป็นอย่างไรธรรมะคือประทีตที่ส่องวิถีทางแห่งชีวิตเมื่อหนทางข้างหน้าสว่างสวยชีวิตย่อมดำเนินไปตามทิศทางอันถูกต้องดุจ ด, ดังคนที่มีในตาดีย่อมสามารถเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุดและดีที่สุดได้โบราณท่านจึงว่าธรรมะคือการทำรงไว้ซึ่งฟ้าดินและมนุษย์ ให้เกิดความสมดุลผสมผสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะขาดไปแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้ต้องเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดสรรพสิ่งที่รวมเรียกกันว่าธรรมชาติธรรมะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์มีสระเสรีที่จะอยู่ในโลกต่อไปก็ได้จะไปให้พ้นโลกเสียก็ได้ฉะนั้น เมื่อลูกเห็นสารที่บูชานักปราดราชบัณฑิตหรือเห็นคำภีรโบราณที่เป็นธรรมะอันสูงส่งลูกจะต้องถนอมด้วยความเคารพหากมีขาดตกบกพร่องลูกจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมเพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปลูกจะต้องเผยแผ่ธรรมะทำลงไว้ซึ่งธรรมะปฏิบัติตนด้วยธรรมะและสอนให้ผู้อื่นรู้จักธรรมะ จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกที่รู้ซึ่งในพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าลูกทาได้เช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้พระคุณของพระองค์อย่างแท้จริงและได้ถวายความกตัญญูกต่วทีแด่พระองค์อย่างถูกต้องแล้ว